15คหาำพอตกตอนเย็นอย่างเดียวนี้ขณะนี้พวกเราก็ได้ทําพระทักศิณกล่าวคําคารวะวันวิสาขาบูชาจากนั้นก็ได้ทําพระทักศิณรอบพระพุทธปฏิมาบนศาลาแห่งนี้จากนั้นก็ได้ขึ้นมาบนศาลาได้มาทําไหว้พระสวดมนต์ทาวัดเย็น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 ถ้าเราได้อ่านได้ศึกษาในพระไตรปิฎกทิฏฐิคือความเห็นความนีนะ้มีมากหลากหลายไม่ว่านุกนั้นสมัยนี้พระสงฆ์ที่ทำออกนอกรูนอกทางที่มีพระวินัยบัญญัติไว้ถึง227รอ่สิบเินภิกตุนี300กว่าสิกขาบทและสินอภิสมาจารของพระสงฆ์อีกมากมาย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 จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายได้มาทาสังคารนาจากนั้นปุกที่กรมที่ไม่ได้เข้ามาร่วมสังคารนาก็ประกาศออกไปเลยว่าพระสงฆ์ที่สังคารนานั้นท่านสังคารนาแล้วท่านตั้งก ฎ, กฎกติกากันขึ้นมาอย่างไร เ, เราก็ให้ท่านรักษากฎ ก, ฎกติกาของท่านต่อไปแต่พวกเราที่ไม่ได้เข้าไปชม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 เวียดนามเป็นบางส่วนอันนี้คือทางฝ่ายเถระวาดประกาศพระศาสนาลงมาทางนี้นี่แหละแต่ทีนี้เรามองดูแล้วศาสนาพุท ธ, ธเหมือนกันแต่ว่าการดําเนินการรักษากฎระเบียบหรือว่าการรักษาศีลและวินยัยแตกแต่ต่างกันแต่ในความลึกๆแล้วในความเชื่อลึกๆแล้ว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 แบงช่วงการทำการอุตรลดสุมเมธาดาบทความาทางอากาศมาก็มาเห็นเห็นพวกพี่น้องประชาชนกำลังทำถนนการอุตรลดแบบว่าทำด้วยความขม ก, ก็เป็นทำด้วยความใส่ใจจงใจจริงๆไม่ได้ทำเลอะเละแปลแบบว่าทำแบบบูชาจริงๆพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจริงๆ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 เห็นว่าท่านรือีคงจะบันดรบันดาลให้อเป็นอะไรก็ได้เพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ย เ, เขาก็ให้ที่ตรงน้ำแฉะที่เป็นน้ำมากมากเลยีนีื อ, อีเนี่ยก็ถ้าเราจะบันดาลด้วยฤทธิ์ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อเนกสงมาเหมือนกับทำด้วยกาลังกาลังแรงกำลังสติปัญญากำลังความรู้สึกของเราเสียสละ เ, เราจะทำอย่างนี้จะดีกว่าวจะได้บุญมากกว่า จากนั้นท่านก็ม้วนจัดราขึ้นมาแล้วก็ม้วนถลกหนังเสือออกไปนุงน่งผ้าจงกระเบน เ, เสร็จเรียบร้อยก็จอบขดเลยเไงเหมือนกับคนทั้งหลายเขาก็ให้ตรงที่ชาแ ช, ช, ช่ที่ตรงน้ำนนะอ่ะนะแต่ท่านทั้นก็ขดเลยอย่างอุตรลดเลยเทอไม่ได้มองหน้าใครเหมือนกัน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 เปื่นพระบาทของพระพุทธเจา้าเปื่อนเท้าของพระสงฆ์ลือสีสุมเมธาดาบทนี่กนนอนเลยเอนอนเหยียดศีรษะไปทางพระพุทธเจา้าให้พระพุทธเจา้าใต่หลังเล็วเงี้ยเป็นสะพานาขนาดนั้นแหละศรัทธาศรัทธ า, าของสุมเมธาดาบทตอนนี้พอพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วก็ยืนยืนอยู่ตรงตรงที่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 เกิดในสกุกลกุงกบิลพัทพระบิดาชื่อพระเจ้าจุธโทธนะพระมารดาชื่อนางิริมหามายาดูในกรุงกบิลพัทต่อมาจะไดเ้เข้ามงคลสมรสพระอคาเมเหสีชื่อพิมพายโสทลาจะได้บุตรชื่อพระราหุน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 พอไปถึงตน้นต้นไม้ต้นว่าใหญ่ก็ให้ปูที่นอนให้พักอยู่ที่ต้นว่าจากนั้นก็ศิทธัถะเข้าไปพักที่ล่มต้นว่านั้นพอนางสนมมีแม่เลี้ยงทั้งหลายก็ไปดูการแลกนาขวัญของพระเจ้าจุฑโทธนะคือพระบิดาปล่อยให้พระลูกยาวคือศิทธัถะอยู่ตามลําพังจากนั้นพระศิทธัถะ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 ก่อนที่จะได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าสอสงไขยกําไรแสนมหากัปอันนี้คือปัจปัญญาทิฏฐะนะศรัทธาทิวิยทยะธิฏะนี่ยศรัทธาทิฏฐะนี่ยาวกว่านี้อีกเปลว่าหกอสงไขย์กำไรแสนมหากัปถ้าเป็นวิทยาทิฏะเนี่ยแปดอสงไขยหรือ16อสงไขยหลวงพ่อก็จําไม่แม่นตัวนี้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 เอาเถอะข้าพเจ้าขอเป็นภระสาวกเถอะนะบารมีของเราที่ได้บำเพ็ญที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะกลับให้ผลใหม่ใชเออให้เขาแบบเปลี่ยนแปลงให้ผลใหม่เป็นพระสาวกก็ได้สําเร็จมรกสําเร็จผลก็มีมากต่อมากอย่างพระมพระมหากัจายนะอย่างนี้ที่ท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะในอนาคตนะแต่ท่านยังไม่ได้รับพยากรณ์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 แต่พระมหากัะจายนะขยายผลเป็นผู้แตกฉานในอัดในธรรมนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพระพุทธศาสนาแนวแถวประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่พูดขยายหรือบ่าพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นก็เพื่อการศึกษาแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าถึงจะเป็นระดับไหน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 ถ้าทำกรรมชั่วถ้าทากรรมชั่วกรรมชั่วจะพาไปเกิดทางตำ่ำถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะพาไปสู่สวรรค์ไปสู่ไปมาเกิดเป็นมนุษย์หรือมาเกิดเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสวรรค์ชั้นพรมไปเรื่อยเพราะเราทำกรรมดีถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะพาดันตกต่ำเป็นช้างมา้าวัวควายผู้หมาเป็ดไก่สัตว์ที่รชานเป็นได้ทั้ง น, นั้น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 อาตอนนี้ไปนั่งสมาธิก่อนนะวันนี้ทำให้ครบมีทั้งทานมีทั้งศีลแล้วก็ให้มีภาวนาด้วยวันนี้เพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันตัดสรุปรสูตรตัดสรุปผิตภัณฑ์ของพระพุทธเจา้าอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิณะที่นี่นะพุทธโธพุทธโธเน่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบริกรรมพุทธโธเป็นหลัก